เป็นกเ้ไมัมีก็คนไม่ได้มากเท่ไคนไปไปกระถิ่นกนเอปละพินะก็คนคมีไปทำบุญกันไปเาก็ไม่ไปหอบ้านนะไม่ได้ไปก็มีกองให้ทำบุญจนถึงบ้านจนถึงที่ทางานนะก็เป็น เกือนทาลมาแคทำทอีสานเขาเรียกว่ายนะี่สิบสองคองสิบสี่ยีน่สะิจารีจารีที่ทาเป็นประจาแต่ละเดือนนะทิบสองเดือนในรอบหนึ่งปีก็จะมีเรียกว่ามีจารี่ย่งเดือนเนี่ยเดือนสิบเกดอย่างเดือนสิบส อ, น 7, นะองอก็เป็นจารีทาบุญกร ะ, นะิน ก็ปเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลเจถึงปัจจุบันครับนญะาติโยมก็ได้ทำาต่บมากนการสมควรนี้ก็เป็นเรียว่าเป็นการี่เป็นปความเพีนะแบบชาวพุทธนะแต่ชาวพุทธของเราอย่าหยุดแค่การทาทานนะหรือว่าทาบุญกนะารทาทานการทําบุญ น, นะการรักษาศีลเนี่ยนะมีมาตั้งแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้ายังไม่มาประสูตร ย, ยังไม่มาแตสรู้การทําทานเนี่ยก็มีนะมีเป็นประจําอยากรับะนะสมัยก่อนที่ชมพูทับทนะิมก็มีการทําทานอันมาว่าแมแ้ในอรารยธรรม ท, าที่ที่แบบไม่ได้จเจริญมือเบลนะก็มีการทําทานชื่ อ, อกันนะแบ่งปันอาหารซึ่งกันด้วยกันในครอบครัวต่างๆ การอาหาให้กับสตัตว์ต่างๆอันนี้เรียกว่าทานนะทานสืบความสลันะความสละออกไปก็เป็นการลดความเห็นแก่ตัวนะลดความตะสมนะสละออกไปอันนี้ก็อีนะแต่คนสมัยนี้ทำทานนะทำบุญแต่ไม่สลับ <c ười> ไม่สลับความเห็นแก่ตัวไม่สลับความโลภออกไป ทำทานทำบุญหวังนะหวังตได้รอยหวังโชคดีหวังเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานนะแบบนี้ก็มีนะเห็นมีมีพระท่านเราแต่มาก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านเองหรอกม่รู้จริงเท็จอะไรเพราเราได้มีผู้กำกับหนําคนหนึ่งกำกับหนังเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนว น้าเด็นเด็กโตหัวโตอ่าพอทำหนังออกมาแล้วใจในโรงหนังแค่สองวันแล้วก็ถอนออกแต่ตรงหนังแน้่นอาจจะไม่ประสบความสมเด็จพอหลังจากนั้นผูก้กองกับก็ประกาศเดิ ก, กนับถือศาสนะตาต่เป็นคนไม่นับถือศาสนาแล้วพอบอกว่าเขาทำความดีมาทำชีวิตไม่เห็นชีวิต ม, มันจะ ประสบความสำเร็จหรือเรื่องเรืองอะไรก็ได้เลิกนับถือศาสนาอันนี้พัดพันโน้ยกางนะแต่มาเพราะว่ามีหลายคนที่อาจคิดแบบนี้เหมือนกันนะก็มีบางคนก็โทรมาบึกษาเจิญตัด้อทําวามีนะซื่อสัตว์คือเดีต่อผู้คองแต่ทาไมผู้คองของตัวนอกใจ ก็ไปคิดว่าเป็นกรรมเราอุตส่าห์ทำดีทําไมเราต้องมีกรรมแบบนี้ด้วยก็ไม่เชื่อมั่นในความดีที่ตัวเองทำไปวันไๆกับคนอื่นที่ทําไม่ดีกับเราเพราะว่าอะไรเพราะเราว่าวิธีคิดของเราไปคิดว่าถ้าเราทําดีแล้วอาจจะต้องเจอแต่สิ่งที่ดีอาจจะต้องเจอแต่ นะความสำเต็จในชีวิตนะแต่จะต้องร่ำรวยแต่จะต้องนะไม่มีอุปสรรคในชีวิตที่จริงคิดแบบนี้ก็ข้อผิดนะใช่ไหมเพราะว่าอนะไรเพราะว่าเราอยู่บบนะกับโลกเนี่ยเรามีโลกประทำไม่พ้นหรอกนะแต่จะทําดีก็มีคนชื่นชมบ้างมีคนไม่ชื่นชมบ้างเป็นธรรมดานะ เราจะนะไม่ว่าอะไรแล้วแต่แม้แต่ผู้ใจเจ้าเองทําดีขนาดไหนไม่ได้เบียดเบีนใครเลยก็จะมีคนตามฆ่าตามด่ามีคนดีทาว่าอะไรหนี่ไปคนนะเราอยู่กับโลกนี้ไม่ใช่ว่าทาดีแล้วเราจะเขาจะต้องเจอเหตุผลที่ดีแต่ในทางทุกจริงๆคือทําดีเรียกว่าดีแล้ว ทำดีสาตุ้เนี่ยสาตุ้งดีแล้วใช่ไหมเวลาพระ ส, สาตุเนี่ยโยมทำบุญ น, นะพระ ส, สาตุ้เนี่ยคือดีแล้วนะ <c oughs> คํว่าดีแล้วนี่คือคุณได้ทําดีแล้วได้รับผลทันทีนะ <c oughs> ไม่ต้องรอว่จะต้องได้ไหร่นะ <c oughs> ทำดีก็ดีทันทีนะ <c oughs> ทำชั่วก็เหมือนกันทำชั่วก็ทุกทันทีน <c oughs> ทุกใจทันทีนะ <c oughs> ไม่สบายใจทันทีนะ <c oughs> หรือท่นคิด ก็ได้ยินปุ๊กไปใหญ่อันนี้คือถ้าเราทําดีเราก็ดีทันทีเนาะไม่ต้องรอว่าจะต้องได้อะไรกลับมาหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ว่าวิบากของกรรมก็จะส่งผลตอนไหนก็มี ร, ร, รู้เราคาดการณ์ไม่ได้เวลาเราทำบุญเวลาเราทําความดีให้เราจบที่การที่เราได้ทำํำนะแต่ถ้าเราไม่จบที่การได้ทําเราไปคิดว่าเมื่ อ, อไรเราจะได้ดี เมื่อไร่เราจะถึงจะได้รับผลตอบแทนทีหน่หมายมันจะเกิดความทุกนะข์ใจเพราะใจเราว่างไว้คิดพนะอใจเราคิดแบบนั้นมันก็เลยทําให้เราเกิดความทุกขนะ์แต่ที่จริงนะถ้าเราทําดีด้วยความสุขใจนะอันนั้นแหลนะอผลความดีเราเกิดขึ้นทันทีนะบางคนคิดว่า เราต้องได้อะไรสักอย่างเราถึงจะมีความสุขใช่ไหมชีวิตเนี้ยเราได้อะไรเยอะนะได้เรียนจบได้ทํางานได้เลื่อนขั้นได้แฟนใน้ลูกได้รดได้ได้โทรศัพท์ได้อะไรได้ตราได้ใหม่เรื่อยเลยนะแต่เราสังเกตไหมพอเราได้อะไรมาใหม่สักท่านี้ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ล่ะชั่วขณะนั้นเราพอ มันตกตึงพอมันพอมันเก่าพอมันเสื่อยแล้วเราก็จะเฉยๆกลับมานนะใช่ไหมอืเราก็จะไม่ค่อยสุขเท่าไหรนะ่ะคือความสุขที่เกิดจากการได้ไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือว่าจะเป็นวัตถุธรรมนะมันก็แบบช่วคาวไอ้ที่มาได้จากภายอกแต่ถ้าเรานะ ถ้าเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขทุกการกระทำไม่ต้องรอว่าเราจะต้องได้อะไรในชะ่ไหมเราสังเกตว่าเวลเราเราทำงานในเด็กที่เราชอบเนะี่ยมันจะมีความสุขในหน้าที่ทำไม่ต้องรอไม่ต้องเหื่อยจะได้ความสุขเราจะมีความสุขในหนะาที่ทำเราไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะขณะที่เดินเราก็ผ่อนคลายใจสบานเนะี่ เรามีความสุขไม่ต้องกําหนดไม่ต้องเดินกี่รอบไม่ต้องกําหนดไมด้เดินไปถึงไหนเช่ไเดินแต่ละก้าวแล้ก็มีความสุขในการในการเดินแต่ละขณะนะสัมผัสกับภาการสัมผัสกับบรรยากาศในทารเดินอันนี้คือเจลับของการใช้ชีวิตนะชีวิตเราจะอายุมากหรืออายุน้อยนะไม่สําคัญสําคัญว่า เราได้ใช้ชีิตอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำแต่รัตนนาหรือเปล่านะเปรียบเทียบกับการเดินในส่วนสาธารณะถ้าเราเดินแต่ละก้าวย่างมีสติที่ยังรู้ตัวเรียกว่าเราได้สัมผัสกับการมีชีวิตอยู่จริงทีจงนะจง่จริงไม่ใช่ตอนนี้เหมือนกันนะถ้าเราได้สัมผัสกับการนั่งอยู่ตรงนี้ใจก็อยู่กับการนั่งใจก็อยู่กับการฟัง นะเราได้มีคิดนะแต่ถ้าตัวเรานั่งอยู่นี่ใจเราแว บ, บไปทีอ่อื่นไะปคิดนั่นคิดนี่นี่ยเรียกว่านะตัวแบบใจมันไม่อยู่ด้วยกันเนาะงั้นเราก็เพียงแค่รู้นะรู้ตัวว่าใจเธอไปนั่นะไม่ต้องไปสอนนะนะไม่ต้องไปสอนเราจะต้องอยู่ตรงนี้ตลอดห้ามหนีไปไหนยนะิ่งสอนนะนี่เครียด เพราะอะไรเราจะไม่ชอบนะเราจะไม่ชอบที่มันฟุ้สร้างเราจะไม่ชอบที่มันเกอดไปเมื่อนะวานก็มีนะักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเขาก็มาเนี่ยแหละเป็นคนจีนนะักอุตสาเดินทางไกลมาบวชอยู่ที่ว่างเขามาเนี่ยนะว่าเวลาเดนะินจงโกงทีมันฟุ้งร้างเพราะเลย้สอนตัวเองว่าต้องอยู่ตองนี้ต้องอยู่อรทางเดินะหนนะ้ามฟุ้งไปที่ไหน มันก็อาจจะทำให้สงบขึ้นมาสักนิดหนึ่งแต่เขาต้องเข้าใจว่าทําไมหลวงพ่อบางเขียนเสนอให้ให้ดูกายให้ดูใจดูแบบไหนนะดูกายพอดูเห็นเดินก็ดูแต่ดูใจดูไม่เห็นพ่ออะไรพ่อเขาไปห้ามใจพอมันคิดกุรู้สร้างใจชอบอย่างห้ามไม่ให้ไม่ให้คิดนมันไม่ใช่รการดูรายการไ กดผมนะมันไม่ดูน้อพ่ออรูบาอานนั้นให้ดูกายเราเดินแล้วก็ดูกายเดินกินข้าวก็ดูกายกินข้าวทําอะไรก็ดูกายมันทําไปเรื่อยๆพอใจมันเผลอ่อไปดูใจก็คือเห็นว่าใจเผลอไปเห็นว่าออกไปแล้วคล้ายๆเหมือนกับมื่เราดูนะ เราอยู่ที่หน้าหน้าทางเข้านะมดตรงหน้าประตูบ้านงเราเมื่จะออกเมื่จะเข้าเราก็เห็นคล้ายๆเหมือนกับเราเคยดูไหมก้องวงจรปิดเนี่ยเราแอบดูแอบดูคนทางนั้นทางนี่เราก็ได้เห็นนะ่เห็นคนทําเขาไม่รู้ตัวแว่าเราดูอยู่นอันนี้ก็เหมือนกันนะเราคล้ายๆเหมือนแอบดูนะไม่ได้ตั้งใจดูนะการดูใจไม่ใช่เหมือน จะจ้องดูเมื่อใดอย่าคิดจะตะโกอ่ไเมื่อใด้ย่าคิดนะจะอ้าวนะหรือบางทีจะคอยช่องจะเผลอไปดูตอนไหนจะเผอไปฟังตอนไหนนะแมไม่ได้ไม่ค่้อยตะโกนคอยจ้องนะแต่เราหลังแคคือทาเป็นดูเล่นๆเช่นเรายกมือเล่นๆดูลมไหนใจเล่นๆเดินเล่นๆคอยใจนั้นเผอ รู à, ích, ả, Same, ้นะแค่รู้ว่าใจเป็นผือไม่ต้องไปคิดหาเหตุหาผลว่าเฮ้ยทำไมมันเผือทำไมมถึงฟุ้งซ่านนะไม่ต้องเอาแบบนั้นเราเพียงแค่กลับมารู้ตัวนั้นการปฏิบัติทำจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อเพื่อการรู้นะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความสงบถ้าเราตั้งเป้าการปฏิบัติว่าเราอยากเอาความสงบเนี่ย มันก็จะทำแค่สงบเฉยๆให้สงบสบายอาจจะรงคับอาจจะกดข่์อาจจะทาให้มันแบบผนคลายเบาสบายไปเลยก็อาจจะสงบไปได้แต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อรู้เนี่ยมันเหมือนเราเรียนรู้่าเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่นะจะมีปัญหาก็เรียนรู้ในการแก้ปัญหาจะลากเรียก ก็เรียนรู้ในการทํางานแบบเล่าเรื่อยจะกประสบความสําเร็จก็เรียนรู้รสชาติของความสําเร็จใช่ไหมเมื่อเราฝึกทำอาหารเราฝึกทำอาหารเราฝึกทำอาหารนะบางขนาดนี้ทําก็อร่อยใช่ไหมก็เรียนรู้ว่าทําแบบไหนถึงอร่อยทําแล้วบางทีก็ไม่อร่อยกินไม่ได้ก็เรียนรู้ว่าเหตุใดมันถึงไม่อร่อยกินไม่ได้ใช่ไหมทาแบบไหนมันรู้สึกน เปิดงช้กลมกล่อมดีถ้าเราเรียนรู้เนี่ยมันจะสนุกใช่ไหมสนุกไม่ใช่ว่าแย่แย่แย่ไม่ดีเลยแต่เรารู้ว่าอ๋อที่มันไม่ดีเนี่ยเพราะเหตุอะไรใช่ไหแล้วก็ค้งต่อไปเราก็ทําใหม่แก้ไขแล้วก็เป็นการปรับปรับตัวพัฒนาขึ้นการปฏิบัติท่าต้นเหมือนกถ้าเราฝึกเพื่อเรียนรู้อะไรจะเกิดขึ้นมาให้เราเรียนรู้มัน ม่วงนอนก็เรียนรู้มันฟุ้งซ่านก็เรียนรู้มันนีขี้เกียจก็เรียนรู้มันนี่นี่กีดเกิดขึ้นมาก็เรียนรู้มันนสมสงบก็เหมือนก้นนะทั้งหมดก็เพื่อเรียนรู้นีเกิดสติเกิดปัญญาก็เพื่อเรียนรู้เนี่ขีดจีนจริงของการภาวนาคือการเรียนรู้นะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตาม คามเป็นจริงนะไม่ใช่เรียนรู้แบบอันนี้อยากรู้อ่นะอย่ากเรีู้วนะ่าอื่นเราต้องเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นจริงนะเกิดขึ้นจริงเช่นตอนแรกมันมัขี้เกียจก็ต้องเรียนรู้ความบขี้เกีเยจนะแต่เราจะเห็นว่าในความขี้เกียจมันก็มีความไม่ขี้เกียจอยูนะ่เรียนรู้มันทุกนะในความทุกมันก็มีความไม่ทุกอยู่นะ ดูด er ีๆเราจะเห็นเราจะเห็นว่าเออในความในความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์ในความคุ้สร่ามันก็มีความไม่คุ้มซ่าอย่างนี้นั้นถ้าเราดูกันจริงๆมันจะอยู่ด้วยกันเท่นั้นแหละถ้าจริงไม่ได้เห็นเหมือนบางคนเคยไม่แบบพอได้มีปัญหาอะไอย่างเี้ตอนแก้ปัญหาเหมือนคิดไม่ตกล่ะพอสักพักหนึ่งอ้ตาตัี่ เม่เราทําข้อสอบตอนเด็กๆใช่ไหมกฟฟมอะไรวะอนี่คิดหยุดปั๊บหนึ่งก็แล้วได้ละก็ไก่ที่เองใช่ไหมสมมติมีคิดออกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเรียนรู้ก็ดูไปเรื่อยตอนนี้อมันยังเป็นทุกข์อยู่ดูไปเรื่อยก็เดี๋ยวก็จะเห็นความไม่ทุกข์ในนั้นนะอ ตอนนี้มันฟง้งซ่านอดูไปเรื่อยดูไปเรือยอ๋อดูแล้วความไม่ฟุ้งซ่านความสงบอยู่ที่ตรงไหนมันจะรู้มันจะรู้ออกมาเองนะเราปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นมาเรียนรู้เรียนรู้แบบไหนเรียนรู้ด้วยความที่ใจเป็นแบบผู้ดูเฉยเฉยนะ รู้แบบไม่ใช่ว่าอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบนะอันนี้จะเอาอันนี้ไม่เอารูนะ้แบบเหมือนดูดูด้วยใจที่เด่นกานะดูเนี่ยภาษาบาลีจะเรียกว่ามีสติก็ได้สติแปลว่าเรรู้รนะู้เขาพูดง่ายเรารูนะ้ด้วยใจเด่นกาด้วยใจตัางมั่นเรียกว่ามีสมาธินะสมาธิคือ ใจที่ตั้งมัน่นใจที่เป็นการใจที่สงบเนีนะ่ยถ้าเรารู้นะด้วยใจเป็นการด้วย ใ, ใจตั้งมัน่นเรียกว่ามีทั้งส ต, ติทั้งสมานะธิเนี่ยหลวงพีอครูบาอาจารย์ทั้งคู่เนี่ยรู้ซื่อๆรู้สฉยๆคำว่ารู้ซื่อๆเนะี่ยคือมีทั้งส ต, ติทั้งสมาธินะการรู้ใลยมีสติซื่อๆเนี่ยมีสมาธิอยู่ในตัวเนีรู้ซื่อๆเฉยๆนะ เราจะเห็นความเป็นจริงความเป็นจริงของการยุ่งซื่อๆเห็นอะไรเห็นอะไรอย่างนี้เพียดูดีๆ่ะดูใจนะถ้าเราดูใจเนี่ยจะเห็นเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็ไปมาจะเห็นว่ามันไม่อยู่นี่มันจะไปเรืยนะถ้าเราสังเกตดีๆกินข้าวนะเดี๋ยวใจก็อร่อย แต่ใจก็ไปคิดถึงแม่เะี๋ยใจก็ไปคิดถึงเพื่อนอเคยนะเวลากินอะไรอร่อยมันนอกจากอร่อยนะยังคิดถึงคนอื่นคิดเดี๋ยวจะพาแม่มากิดีกว่าอเดี๋ยวจะชวนเพื่อนมากิดีกว่าจะมาอีกวันไหนดีนะเริกคิดแล้วนะมันจะตรงแต่ไม่คิดไม่กีใอะกินไปคิดไปเดี๋ยวก็ถ้า้านไหนวันดีเดี๋ยวก็ แล้ก็คิดเดินองเรทีไปด้วยเดนกก็มอสวยดีนะจะไปนั่งร้านไหนตุ้ยเขาแต่งร้านสวยดีนะธรรมชาติสวยนะมันไม่ได้กินเฉยๆนะกินไปดูไปกินไปฟังไปกินไปคิดไปนี่คือกินนะที่มันะถ้าเราดูเรียรธรรมชาติมันจะไปของมันด้วยเราต้องแค่มีหน้าที่คอยดูก็มันไปไหน ไม่ต้องห้ามนะแค่เห็นว่ามันไปไหนไปไหนก็ไปก็ไปเราดูีเฉยๆเนี่ยไม่ต้องว่าห้ามให้มันไม่ไปแต่เพียงแค่รู้ทันตอนที่มันไปเรจะเข้าใจว่าจิตใจมันมีเที่ยมจะบังคับให้มันมนะิ่งเนี่ยมันเหมือนเหมือนเป็น ง, งานคล้ายงานใหญ่นะเหมือนเราจะไปบังคับน้ําป่าให้มันไม่ไหล งานใหญ่ใช่ไหม ม, มันยากนะเราจะน้่งลมให้มีพัดไม่ได้เราจะน้่งมหาสุทไม่ให้มีคลืนไม่ได้แต่ถ้าเราก็แค่อยู่บนฝั่งดูคลื่นมันพัดผ่านเข้าฝั่งนะเราอยู่บนฝั่งดูน้ําไหลในคอนะไหลบ่าไปนะเราอยู่ในห้องดูลมพามันพัดผ่านไปคือเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัย การรู้สึกตัวคืออยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่ในความเป็นปกติถ้าเรากลับมารู้ตัวนะสังเกตใจนะมันจะ ป, ปกติมันจะเฉยเฉยใจจะ เ, เบาถ้าเราภาวนาใจเราจะรู้สึก ใ, ใจมันเบาขึ้ น, นถ้าใจนหนักหนัเนี่ยแปลว่าทำผิดนะหนักใน่องทีคือเราตั้งใจตั้งใจ กำหนดมากเกินไปตั้งใจรู้มากเกินไปจริงจังเข้มเครียดเกิไปมันจะหนักนะโดยที่จริงแม้แต่เวลามันอยากอะไรนะมันก็หนักใช่ไห ม, อ, มอยากจะได้มันใจมตนจะหนะกน ะ, นะตอนที่ยังไม่ได้มันหนักมากเลยะอยากจะรู้อยากจะพูดนะไม่ได้พูดสังเกตให้เวลาตื่นโทรศัพ เพื่อนพูดสียยาวอยากจปพูดคือานั้งทีอยากจะพูดเนีเวลาเขาคอยปฏิบัติธรรมูบาจางไม่ฟีบาจางไม่พูดบีก็อาอยากจะพูดนะนะเนียบางนะนะทีไม่พูดเขียนก็ได้ครับนถะเขียนทนะีมก็ได้ทำไมไดีนะีคือบางทีปฏนะิบัติการระบายออกไปแต่เราปฏิบัติเพื่อที่เียนว่า แต่ก่อนถ้าเราไม่ทำํำนะมันจะไหลไปเลยอยากทําก็ทําอยากพูดก็พูดอยากกินก็กินแต่พอเรารู้แบบนี้เองได้ก็มันสุด ข, ขั้วแต่มันก็เป็นสภาวะพอเรารู้จริงๆแมันก็จะระบายออกไปมันก็หายไปเองอันนี้เวลาปฏิบัตินบางทีถ้าเราวางใจไว้ผิดนะมันก็จะเป็นเหมือนกดข่มก็เรียกสุดขั้มันก็จะแน่แต่ถ้าเรารู้สึกตัวเนีย มันจะเบามันจะสบายเบากายเบาใจกายก็เบาขึ้นนะเดินก็สบายฝักายขึ้นเกียบใตอนนึงน่บางคนกลัวงคนเกรงนะยกมือตั้งจังหวะกมันจะเกรงดูลมหายใจต้องมกันนะหายใจตั้นะไม่เป็นไรนะพอจะมาดูลมหายใจหเกรงืออาไม่สบาย ถ้าเราหใจถูกถ้าเราเคินถูกเราเคลื่อนมือถูกน่ะมันจะสบายธรรมชาติอืมธรรมชาติกายก็เบาใจก็เบาเบาเพราะอะไรไม่ได้ดื้อแบกไม่ได้ยึดอะไรไม่ได้เก่งอยากอะไรเมื่อมันอยากขึ้นมาก็รู้ทันอ๋ออยากจะรู้อยากจะได้อยากจะเป็นนะพอเรารู้ทันมันก็บางไปอยากจะคิด ก็วางไปอันนี้คือเราภาวน า, าให้เราสังเกตนนะการภาวน า, าของเราเองนะถ้าเรามีสติเราจะเห็นเราจะเข้าใจนะเมื่อจะสัง่งสายเพราะมันมันเป็นแบบนี้ไม่เองเป็นแบบนี้ไม่เองเมื่อตอนต้นเดือนก็มีมีมีคอร์สปฏิบัติต ท, ที่อาศุยยิ่งธรรมนะก็มีคนจีนไปทั้งยี่สิบตัวคนไปปฏิบัติ ก็มีหลายคนพูดนะหลายคนพูดนะว่าตอนก่อนรู้สึกตัวมันเหมือนยากมันเหมือนต้องตั้งใจแต่ตอนหลังเรื่มเข้าใจแล้วมันเป็นของมันเองจะไหนแต่ก่อนเหมือตั้งใจต้องตำหนดมีสติแต่ต่อมาสติมันไม่ต้องตำหนดละมันแต่ทำอะไรก็รู้สึกตัวของมันได้ แต่ยืนแต่เดินแตกินก็รู้สึกกลัวได้แต่ที่ก็รู้สึกกลัวได้นะมันเริ่มเป็นของมันเองถ้าอะไรที่สตินะมันเริ่มเป็นมันเองมันจะมันจะเข้าแล้วปฏิบัติธรรมมันหลายคนพูดมันแค่นี้เองนหละแต่ก่อนที่ว่าแล้วมันเป็นเรื่องที่ที่มันยากซับซ้อนแต่พอเข้าถือตรงนี้นะมันจะรู้สึกได้ แค่นี้เอยนูะ่แตับไปโกรธไปทำอะไรรื่งยากมากมายนะที่จริงมันแค่นี้เองนะแค่รู้สีสวยไม่ต้องทำอะไรเลย <c ười> มีอะไรเกิดขึ้นมาแค่รู้สีสว ย, ยนะีะทำแค่นี <c ười> น้แล้วทำเหมือนไม่้อทำนีมันเหมือนพอเราแบบสมมติพอเราเรียนภาษาหนึ่งนะพอเราพัฒนาไปจนแบบเกิดขึ้นเช่นงเรา เรีนภาษาอังกฤษนะตอนแรกต้องตั้งใจฟังตังนั่งตั้มีแต่พอฟังเป็นฟังคล้องแล้วก็ไม่ต้ัใจมากก็เข้าใจใช่ไหมภาษาคำก็เหมือนกันเราปฏิบัติทำเองเลยศึกษาด้วยพอสภาพนีงก็แค่นี้่องนะทุกอย่างก็ก็ไม่เที่ยงก็เป็นตู้ก็ไม่ใช่ตัวตนท่านนั่งเลยนะมันก็จะเกิดการดูเกิดความเข้าใจต่อคำว่าคำต่างๆที่มัน ก็แคเนี ú, ้พอมันจะพุกข์ขึ ú, ích, ้นมาก็มันก็รู้เองแล้วเดี๋ยวเขาถามไปเดี๋ยวเขาหายไปหรือมันก็รู้เองมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่รูปทุกมันเป็นแค่นามทุกขนะไม่มีเราเป็นทุกข์นะมันก็จะเกิดความเกิดนี้เลยรูปมันเป็นทุกแต่ไม่ใช่เราทุกข์นามมันคิดไม่ใช่เราคิดนะใจมันไปชอบก็ไม่ใช่เราไปชอบนะมันจะมันไปมันเอง ใจไปโกรธต้นเหตุกโกรธตั้งไปของนเองมันจะเห็นว่ามันจะแยกไม่แยก่ละมันไม่มีเราที่ตรงไหนเลยมันมีแต่รูปมีแต่นามะมันมีแต่อาการของรูปอาการผละมันมีแต่โลคของรูปโรคของนามมันมีแตนะ่สมมุตินสมมุติเป็อที่ไหน่ะใครจะว่าอะไรกเข้าใจสมมุตนะิเราเข้าใจ จะไปเขียนตั้งในรูปนุ่นลงลงมมุตินะนะก็เดินธรรมดาก็ปล่อยไปนะแล้วก็วางได น, นะปล่อยวางอด้อันนี้คือให้เราลองปฏิบัตินะแล้วก็เราจะเข้าใจว่าไม่ใช่จิงมันไม่ได้ยากทุกอย่างคือการปฏิบัติทำนะทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะทําในรูปแบบก็ดีหรือใช้ชิตนอกรูปแบบก็ดีเราจะเข้าใจว่า บุญจริงๆเนี่ยบาทีไม่ต้องไปทาทานก็เป็นบุญบุญใจเป็นบุญแบบนี้ใจมันดีใจมันเบาใจมันเย็นนะใจเป็นบุญนะถ้าทำทานมันอยากได้มันหนักนะจะเห็นโอ้ใจไม่เป็นบุญล้ใช่ใจเป็นบุญเนี่ยมันยืมได้นะมันนอนหลับมันเบาสบายใจเป็นบากนี่มัน มันเครียดมันยานมันโกรธ น, ะนี่ใจเป็นบาแต่เข้าใจร้องคุณเป็นแบบนี้นะถ้าเราเข้าใจคุณแบบนี้นะหายใจก็เป็นบุญ <c oughs> เดินก็เป็นบุญกินข้าวก็เป็นบุญนะดูข่าวก็เป็นบุญนนะดูไปข่าวพอการได้ดูไปก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขานนะนะสงสารเขาที่เขาหลง สงสารเขาที่ก็ตายก็สงสารอยแต่ไม่ได้เบียดคนที่ทําไม่ได้เบียดอะไรทั้งนั้นก็นั่นมันก็เป็นบุญะเป็นบุญอะไรเตือ น, นเองให้อย่าประมาทตอนนี้เกิดที่ปารีสนะไม่แน่เกิดที่กรุงเทพก็ได้นะสมมนะตินะก็ไม่ประมาทในชีวิตนะหรือไม่ต้องเราเห็นมันก็บางทีก็อุบัติเหตุนะฟังข่าวดูข่าวก็ มันก็ม่เที่ยงนะาชี่ิตเรานะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนเขาก็ได้คนะคือเราจะมีการไม้ประมาณในการใช้ชีวิตขึ้นมานะจะทําอะไรก็เป็นบุญนะบุญจริงๆการ ม, มีสติการ ม, มีสมาธิการ ม, ม, ม, ม, มีปัญญานี่เองนะเป็นกุลเป็นกุศลเป็นที่พึ่งเนีนะเป็นศาสนาศาสนาแปลว่าที่พึ่ง เราจะรู้เลยที่พึ่งดีจริเนี่ยตัวเรานะแต่ก่อนเรามีพุกเนี่ยไป ข, ขนะ ไ, ปไปขอพอึ่งพึ่งพระเราเคยไปวนไปขอพรจากพระตักสิไปขอให้หลวงพ่ออุบาสกช่วยถ้นะาไปขอพึ่งแบบนั้นนะพึ่งพระไม่ได้เราพึ่งผีใช่ไหมขอวนบานเทพเจ้า เ, าเาทวดาต่างๆปีสามนาไมา้ช่วยหน่อ แต่พอเรามีสติเยีวยาจริงโอ้คิดขึ้นจริงๆเนี่ยใจนี่เองนะใจที่มีสติเยียยมันขึ้นมันขึ้นอะไรขึ้นให้มันสงบขึ้นให้มันมีทุกข์นะใจฟังใจแฝงพักก็ได้ใจแฝงพักก็ได้จะรู้สึกได้ว่าพักอยู่กับเราพระเจ้าก็อยู่กับเราหลวงพ่อก็อยู่กับเราอาจารย์ก็อยู่กับเรา เตัวแม่อยู่นะแต่ ใ, ใจอยู่เหมืนที่เราสวดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นปฏิจสมุบาคือคือเหตุหรือวงจรแห่งความทุกข์ก็จะเข้าใจเข้าใจธรรมะธรรมะคือเหตุในการบ น, นกลับเป็นสู่ความไม่ทุกข์เนี่ยมันมีเหตุนะเหตุที่เกิดทุกข์มีเหตุให้ไม่ทุกข์ก็นีเข้าใจปฏิ อากทุ่โมโลบาก็ขอยกลับได้ไปกลับไปสู่ความไม่พ้นได้อันนี้คือเราจะเข้าใจว่าความไม่พุกก็อยู่ตรงนี้เนาะเพราะพระเจ้าเราอยู่ตรงนี้พระอราหันตก็อยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้น ะ, าา ะ, ออตนนะแต่อยู่เพียงแค่ก้ามเนินแล้วก็ดึงออกไปอื่นนะเราก็กลับมาใหม่ได้นะแต่เราก็จะเห็นว่าที่จริงมันตรงนี้เองแต่บางีเราไม่ได้อยู่ตลอแล้วก็แค้กลับ กลับมาไปไหวกลับมาไปไหวกลับมาจนคุ้นจิตมันคุ้นเลยอัตโนมัติมันก็จะกลับมาได้อีกอันนี้คือที่พึ้นที่แท้จริงนะที่พึ้นที่แท้จริเมื่อเรามีที่พื้นที่แท้จริงแล้วไม่หวั่นไหเราทําดีแล้วคนมากไม่ดีก็จะีทาก็ไม่บหวั่นไไม่บาั่นไหก็เลยเราเชื่อการกระทํำของเราเองแต่ถ้าคนหวันไหวเนี่ย ไปเชื่อคนรูปคนอื่นใช่ไหมในเมื่อเราทําแล้วอ่ะใครจะว่าเราไม่ทำเราจะไปเถียงกันทาไมเนานะเรากินข้ า, าวเนชะ้าแล้วเนี่ยอามาโยนกินข้าวยังยังไม่กินใช่ไหมโยนกินนะกินเนาะเอามาโยนยังไม่กินเชื่อไหมไม่เชื่อนะเพราะเรากินเองเรากินเองใช่ไหมอืมเออคนจะว่าเน่ย ก็เป็นเรื่องของตนอื่นใช่ไหมเราไม่ได้ไปว่าใครคนมาว่าเราว่าคนอื่นเนี่ยเราจะไปพูดทำไมเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ว่าใช่ไหมนี่เราจะเชื่อกรรมเชื่อการกระทของเราเองนะมันจะไม่หวั่นไหวนะมันจะเกิดความมั่นคงนะเกิดความมั่นใจนะมั่นใจนะอย่าไปหวั่นไหวอะไรง่าหวั่นไหวแล้วก็ไม่รู้ทันนี่คือมันจะเกิดที่ขึ้นที่แท้จริง เราเองนะแต่ก็ไม่ใช่มฟังใครลืมน ะ, ะก็ยังมีท่าทีก่อนน้องถ่อมตนมีท่าทีรับฟังมีท่าทีไม่แข็งกระด้างนะนะผู้สงบผู้มีวิญญาณจะจะไม่ไม่แข็งกระด้างจะสุภาพอ่อนโยนนะนะแต่ก็มั่นคงไม่หวั่นไหวเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในนะข้างนอกอ่อนน้อมข้างใน แข็งมั่นครไม่วันไหวนี้คือคุณสมบัติของผู้ที่ที่มีธรรมะเนาะก็ให้พเราได้ฝึกแันเนาะวันี้ก็จะได้ฝึกทักนะปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นไปด้วยครับ